อีกอย่างหนึ่งบุคคลย่อมเห็นภาษาอันเป็นอดีตว่าเป็นของว่างจากภาษาที่เป็นอนาคตและภาษาที่เป็นปัจจุบันคือในอดีตก็เป็นสิ่งที่หมดไปแล้วนะภาษาที่เป็นอดีตไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคือไม่ได้เกี่ยวโดยว่าความเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันกับภาษาที่เป็นอนาคตหรือภาษาที่เป็นปัจจุบันเนี่ยอันภาษาที่เป็นอนาคตก็ว่างเปล่าคือไม่มีภาษาอันเป็นอดีตและภาษาอันเป็นปัจจุบันอยู่ในนั้น แล้วก็เห็นภาษาที่เป็นปัจจุบันว่าว่างจากภาษาอันเป็นอดีตว่างจากภาษาอันเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยสัมพยุตไม่ได้เกิดพร้อมกันไม่ได้รับอารมณ์เดียวกันไม่ได้มีวัตถุเดียวกันนั้นภาษาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเรานี่ยอดีตก็ส่วนอดีตอนาคตก็ส่วนอนาคตภาษาที่เป็นปัจจุบันก็เป็นส่วนที่เป็นปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งภาษะเราใดเป็นอริยะ ไม่มีอาสะวะเป็นโลกุตระปฏิสังยุตด้วยสุญญติภาษานนะภาษาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะคือภาษาที่เป็นเช่นภาษาที่เกิดร่วมกับมรรคผลเนี่ยนะตั้งแต่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเป็นต้นเนี่ยภาษาที่เป็นโลกุตระเหล่านั้นบุคคลย่อมเห็นภาษาเหล่านั้นว่างจากราคานะเป็นภาษาที่กําจัดราคะเนี่ยนะเป็นว่างจากโทสะว่างจากโมหะว่างจากความกโกรธความผูกโกรธ ว่างจากความลบลู่ความตีเสมอว่างจากริษยาความตรณีว่างจากความลวงความโอ้อวดว่างจากความกระด้างความแข็งดีว่างจากความถือตัวความดูหมิ่นว่างจากความเมาความประมาทว่างจากกิเลสทุจริตทั้งปวงว่างจากความกวนกวายความเร่าร้อนทั้งปวงว่างจากความเดือดร้อนและอกุศลภิสังขารทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นวิเวกในภาษะทั้งหลายเนะนะ นันก็การเจริญวิปัสนาในทุกอารมณ์เนี่ยต้องแม่นยำนะบุคคลผู้ที่ไม่ปรารถนาอนาคตไม่เศร้าโศกเสียใจในอดีตเห็นแล้วก็อาศัยการพิจารณาเนี่ยนะคือการประชุมธรรมะทั้งทวารหกเนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยทั้งที่ภษะ ทั้งที่เป็นปัญจทวารมโนทวารที่เกื้อกูลแกเวทนาสามที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากระตะภาษาที่เป็นไปในภูมิสามภาษาที่เป็นไปกับวิปัสนาภาษาที่เป็นโลกิยะโลกุตระภาษาอดีตอนาคตเนี่ยนั่นก็ตามเจริญตามพิจารณาภาษะเหล่านั้นโดยวิปัสนาเนี่ยนะว่าเป็นของว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนว่างจากความเที่ยง ว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากความเป็นของเที่ยงว่างจากความไม่แปรปรวนนั่นก็ตรงเนี้เป็นสาระสําคัญนะนะเพราะว่าสติปัญญาที่จะไม่เกี่ยวข้องนี่นะกิเลสตัณหาที่จะไม่อาศัยกับอารมณ์ทั้งปวงก็อาศัยการเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาอย่างนี้จนบรรลุโลกุตระโลกุตระพัสสนั้นว่างจากกิเลสว่างจากอากุศลว่างจากสมุทัย เพราะว่าภาษาที่เป็นโลกุตระนั้นเป็นภาษาที่กําจัดบาปกําจัดอกุศลทั้งหลายคําว่าไม่ถูกนําไปในเพราะทิถีทั้งหลายนันะ้นผู้ที่เห็นในวิเวกภาษาอย่างนี้แล้วก็ไม่ถูกทิถีเนี่ยฉุดกระชากลากไปความว่าทิถีหกสิ62อันบุคคล น, นั้นนะละตัดขาดสงบระงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยาน บุคคลอันทิถีย่อมไม่นำไปไม่นำออกไปไม่ลอยไปไม่เลื่อนและบุคคลนั้นไม่กลับถึงไม่กลับมาสู่ทิถินั้นโดยความเป็นแก่นสารนะไม่กลับมาติดข้องด้วยอำนาจของมิจฉาทิถีหรือด้วยทิถีหกสิบสอีอกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ถูกนำไปเพราะทิถีทั้งหลายนะทิถีทิถีหกิเนี่ยนะไม่ถูกไม่ฉุดกระชากลากไปซึ่งต่างจากปุุชนทั้งหลาย หันเข้าไปตรงไหนเนี่ยนะใครเสี้ยมสอนที่ทีไหนก็พร้อมที่จะเข้ารับที่เหล่านั้นได้ทั้งหดเนี่ยนะวันถ้าใครสร้างรัฐที่ขึ้นมาแล้วฉุดปุตชนเข้าไปหาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าปุตชนทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะถูกลับที่ต่างๆเนี่ยฉุดกระชากลากไปเนี่ยนะอันสรุปว่าบุคคลผู้ไม่มีตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในอนาคตไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเห็นวิเวกในภรรษาทั้งหลาย และก็ไม่ถูกนำไปเพราะทิฏฐิทั้งหลา ย, อ, ยาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของพระอาหารหันต์ว่าพระอาหารหันต์เนี่ยท่านเป็นอย่างนี้บุคคลเป็นผู้หลีเกเร้นไม่หลอกลวงไม่ทะเยอทะยานไม่ตรนีไม่ขนองไม่เป็นที่รังเกียจและไม่ประกอบในความเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดอันนี้นก็เป็นคุณธรรมต่อต่อไปของพระอาหารหันต์ว่าพระอาหารหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่หลีเกเลน เป็นผู้ที่ไม่หลอกลวงเป็นผู้ที่ไม่ทะเยอทะยานไม่ตรนีแล้วก็ไม่ขนองไม่เป็นที่รังเกียจแล้วก็ไม่พูดวาจาส่อเสียดให้คนแตกร้าวกันซึ่งภาษาลิบุตรอธิบายว่าคำว่าเป็นผู้หลีเกเล่นเนี่ยนะหลีเกเ้นในที่นี้ก็เพราะว่าท่านละราฆโทสะโมหะเนี่ยนะคือละสมุทัยสัตว์ได้หมดแล้วนะละความโกรธละความผูกโกรธละความลบหลู่ตีเสมอ ละริสยาความตนีละความลวงความโอ้อวดละความกระด้างความแข็งดีละความถือตัวความดูหมิ่นละความเมาความประมาทกิเลสและทุจริตทั้งปวงความกวนกวายและความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนและอกุศลาภิสังขารทั้งปวงเมื่อท่านละบาปอกุศลสมุทัยศัสตร์ดังที่กล่าวไปจึงเรียกว่าผู้หลีกเร้น หลีกรนในที่นี้เน้นว่าผู้ที่กําจัดอกุศลได้เรียกว่าผู้หลีกร้นสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้หลีกรนอย่างไรพิคดูก่อนพิสุทั้งหลายพิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความถือตัวว่าเป็นเราได้แล้วคือละความสําคัญว่าเราเป็นหรือว่าเป็นเราเนี่ยนะก็คือ มีรากอันตัดขาดแล้วคือละตันหาได้แล้วเนี่ยนะทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาดูความพิสูจนทั้งหลายพิกษุเป็นผู้หลีเกเล่นอย่างนี้แหละฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้หลีเกเล่นนั้นผู้หลีเกเล่นก็เน้นที่ผู้ละกิเลสได้นี่ยแหละเรียกว่าผู้หลีเกเล่นจริงถ้าละกิเลสยังไม่ได้ก็เพื่อนก็ไปด้วยนะคอยกระซิกบกระซาบตลอดนั่นแหละ เนีย่ยนะเรานั่งอย่างนี้นะมันเป็นอย่างงี้นะตัณหามันก็พากะซีไปด้วยเพราะฉะนั้น จ, จึงไม่ได้หลีกเล้นอย่างแท้จริงนะก็อยู่กับเพื่อนคือตัณหาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายความที่ท่านละราคะโทสะโมาหะเป็นต้นได้แล้วเนี่ยท่านจึงเป็นผู้หลีกเร้นได้อย่างแท้จริงออท่านเนี่ยเป็นผู้ไม่หลอกลวงนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ไม่หลอกลวงขณะเดียวกันเราจะต้องรู้จักว่าผู้หลอกลวงนี่ยเขาเป็นยังไงนะเกี่ยวกับเรื่องความหลอกลวงนะ ว่าบุคคลผู้หลอกลวงเนี่ยหลอกลวงสามอย่างด้วยกันก็คือความหลอกลวงว่าด้วยการซ่องเสพ ป, ปัจจัยอย่างหนึง่งหลอกลวงด้วยอาศัยอิริยาบถนยอย่างหนึง่งหลอกลวงด้วยการเป็นผู้เลียบเคียงในอย่างหนึง่งนั่นก็หลอกลวงสามประเภทนะอันนี้เน้นพระภิกษุนะพระภิกษุที่หลอกลวงเนี่ยเป็นอย่างนี้ลวงสามอย่างคือลวงด้วยการเสพ ป, ปัจจัยอย่างหนึง่งลวงด้วยอิริยาบถนอย่างหนึ่งลวงด้วยการพูดเลียบเคียงในอย่างหนึ่ง คำว่าเรื่องหลอกลวงด้วยการซ่องเสพปัจจัยเนี่ยเป็นะไะวิธีหลอกลวงของพระภิกษุที่หลอกลวงคารวะเนี่ยนะหลอกลวงด้วยการเสพปัจจัยก็คือเช่นพวกเครือหบดีคือผู้มีศรัทธาทั้งหลายในโลกนี้ก็นิมนต์ภิกษุด้วยจีโวนบิณฑบาตเสนาสนะและขิลานะปัจจัยเพสัชบริขารก็เอานิมนต์อ่ะนะก็คือถวายกล่าวถวายปัจจัย4ี่ให้อ่ะ ภิกษุนั้นมีความปรารถนาลามกอันความปรารถนาครอบงำมีความต้องการด้วยจีวณบินทบาตเสนาสนะและขีลานะปัจใจเพศสัตบริครัรแต่ว่าอาศัยความเป็นผู้อยากได้มากเขามาประวรน า, าให้นะก็มันน้อยไปอะ่ะไม่ชอบต้องการมากกว่านี้วิธีทำที่จะทำให้ได้มากกว่านี้ทำยังไง เธอก็ย่อมบอกคืนจีวอนบินทบาศเสนาสนะขิลานปั จ, จัยเพศสัตวบริขารก็บอกคืนนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่อยากได้แต่ว่าอยากได้มากกว่านี้วิธีที่จะทําให้ได้มากกว่านี้ก็บอกคืนซะปฏิเสธเธอย่อมพูดอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยจีวรนมีค่ามากานะบอกเอ้ยมันจะคามากไปเหมือนกันสมณะนี่สมควรเลือกเก็บผ้าเก่าจากป่าชากองอยากเยื่อหรือร้านตลาดแล้วทําสังขาติใช้ ข้อนั้นเป็นการสมควรนะนะคือเหมาะสมที่สุดอะนะโอ้แต่ใช้จีวรที่ซื้อมามันแพงเหมือนกั น, น, นมันมีราคาเพราะฉะนั้นโน่นไปเก็บผ้าจากพวกกองขยะกองอยากเยื่อมาประติดประต่อมานุ่งมาห่มดีกวา่าอย่างนั้นนี่เรียกว่าปฏิเสธจีวรจริงๆไม่ใช่ไม่อยากได้นะแต่ว่าจะเอาให้มากกว่านี้ยอันนี้มันน้อยไปเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจริงๆอไปใช้โน่นนะพวกผ้าบางสกุลดีกว่าว่างอนกัน ประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยบิณธบาตอันมีค่ามากสมณะควรสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยก้อนข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข้งโดยความสแสวงหาข้อนั้นเป็นการสมควรเนะเขามีนมนไปฉันที่บ้านก็บอกโอ้ยบินธบาตฉันดีกว่าอย่างนั้นประโยชน์อะไรด้วยไปฉันแบบนั้นอาหารอย่างนั้นราคามันแพงอะนะบินธบาตชันดีกว่าต้งเยอะเนี่ยนะจริงๆก็อยากจะได้มากกว่านั้นแหละที่ที่ ท, ที่ปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธไม่ใช่ไม่อยากได้ แต่ว่าอยากได้มากกว่านั้นบอกว่าประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยเสนาสนะมีค่ามากสมณะควรอยู่ที่โคนไม้อยู่ที่ป่าชาหรืออยู่ในที่แจ้งข้อนั้นเป็นการสมควระเท่านี่มนให้อยู่กุติเห็นกุติไม่ถูกตาถูกใจเลยนะไปอยู่โคนไม้ดีกว่านะอยู่โคนไม้จริงๆก็อยากได้ดีกว่าเนี่ยไม่ต้องการแบบนี้หรอกบอกว่าประโยชน์อะไรแก่สมณะด้วยคีลานะปัจจัยเพสัตชบริการมีค่ามากโอ้ย กินอะไรน้ำพึ่งกินอะไรา ย, ยาแพงๆ แ, แบบนั้นนะนะสมณะเนี่ยทำยาด้วยน้ำมูดเนา่าหรือว่าชิ้นลูกสมองข้อนั้นเป็นการสมควรนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ใจจริงอะ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นสมณะเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยอาศัยความเป็นผู้อยากได้มากนั้นจึงทรงจีวรที่เศร้าหมองซ่องเสพเสนาสะนะที่เศร้าหมอง และขีลานะปัจจัยเพศสัตว์บริขารที่เศร้าหมองทําตัวปอนๆทําตัวจนๆทําตัวกันดานมากะนะเพราะฉะนั้นพวกเครือาบดีเห็นภิกษุนั้นแล้วก็ย่อมทราบอย่างนี้ว่าสมณะนี้มีความปรารถนาน้อ ย, อยรูปนี้มักน้อยจริงๆ น, นะว่าเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะเป็นผู้ปรารพความเพี้ยนมีวาทะกําจัดกิเลสอ้แสดงว่านายบรรดาผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านเหล่านี้และปฏิบัติดีมากเหมือนกัน ดูสิท่านมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียนพูดแต่ละคำออกมาเนี่ยเรื่องละ ก, กิเลสทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งนิมนต์เธอด้วยจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปะจัจจัยเพสัชบริขาร น, น, นะก็ยิ่งนิมนต์มากยิ่งขึ้ น, ย, นยิ่งขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าดูสมปรารถนาแล้วนะอาดูขนาดนี้เสร็จแล้วว่างั้นเธอก็กล่าวอย่างนี้ว่า เพราะประจบด้วยเหตุสามประการกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมได้ประสบบุญมากนะนะ อ, นนนอาศัยเหตุอย่างประชุมกันนะจะได้บุญมากคืออะไรบ้างอะ่ะเพราะประจบด้วยศรัทธากุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ประสบบุญมากเพราะประจบด้วยทายรรมกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ประสบบุญมากเพราะประจบด้วยพระทักษินายบุคคลเน่ยนะผู้สมควรรับทักษิณาเนี่ยกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ย่อมประสบบุญมาก เพราะฉะนั้นพวกท่านเนี่ยศรัทธานี้มีอยู่ทายรรมนี้มีอยู่ทั้งอาตมาเป็นปฏิคาหกก็ผู้รับมีอยู่นี่นะถ้าหากอาตมาไม่รับพวกท่านก็จะเสื่อมจากบุญไปนะเอาบุญของเขามาอ้งอางนะร้อยเล่พันเหลี่ยมมากนะเล่เหลี่ยมชั้นเชิงเนี่ยสูงมากบอกว่าอาตมาเนี่ยไม่มีความต้องการด้วยปัจจัยนี้หรอกเหมือนกันแต่อาตมาจะรับด้วยความอนุเคราะห์พวกท่าน นะที่รับเนี่ยเพราะเห็นแก่บุญของพวกท่านนะกลัวท่านไม่ได้บุญนะ่ยนะจริ ง, รงไม่ใช่หรอกตัวเองอยากได้อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นจําเดิมแต่นั้นเธอก็รับจีวอนมากนะอนคะํานวณว่าไม่รับหน่อยแล้วพื้นสองพืนไม่เอาเอ า, เอาเป็นคันเกวียนว่างันโบราณก็เอาเป็นเกวียนเลยนะบินทบาทก็รับมากครับเสนาสนะมากรับกีฬานะปัจจยัยเพศสัตวบริขารมากแล้วก็ทําหน้าเสียวทําหน้าแข้งนะทำหน้าแข้งหน้าครึ้ม บ อ, อกเขาว่าความเป็นผู้น่าสยิวความหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกก็หลอกลวงอ่ะก็วางแผลวิธีหลอกลวงอ่ะนะเรียกว่ากิริยาที่หลอกลวงความเป็นผู้หลอกลวงเห็นป่านี้นี่เรียกว่าความหลอกลวงด้วยการซ่องเสพปจัจจัยนะนะโอ้ยคนเนี่ยแห่ไปทําบุญมู้เนี่ยแหละปฏิบัติชอบฉนั้นเอาแบบพระพุทธพจน์ที่ว่าท่านเป็นพวกคารวะทั้งหลายนอนเบียดเสียดกับบุตรภริยาเนี่ย รู้ไม่ได้หรอกใครปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีจริงๆงนั้นก็ไปเห็นตอนเขาจัดฉากไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเป็นคำพูดที่ได้รับการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะนั้นก็เสร็จหมดอนะ่ะคำพู้ที่หลอกลวงเช่นนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมนั่นการทำบุญให้ทานเป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่าทำแล้วก็ไป น, นึกว่าหรือนึกคือขาดความรู้ขาดความเข้าใจในพระเทกขินิยยบุคคลเนี่ยนะ ขาดความเข้าใจเรื่องความประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเห็นแค่หน้าก็เห็นฟังแค่คําพูดเนี่ยไม่แน่เสมอไปเนี่ยนะบางทีอะที่ไหนได้ถูกเขาหลอกก็รลดไปสัหมดอะนะก็ดีอะนะก็ทําบุญกับโจรดีกว่านึกว่าโจรมาปล้นเอาอะนะโจรเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าโจรปล้นแบบเรียกว่าฉลาดปล้นอะนะคนปล้นก็ปล้นด้วยกุศลอะคนปล้น่ก็ให้ด้วยกุศลจิตอะนะ แต่ก็ได้บุญน่ะแต่ว่าก็ทำบุญกับโจรนั่นแหละนั่นแหละซึ่งผลไม่มากอันนี้สงไม่มากอะไรแต่ก็ดีกว่าเก็บให้มันผุอะนะอย่างนั้นก็ดีกว่าเก็บให้ผุเก็บให้เน่านะดีนะคุณจูนะดีกว่าเก็บให้ผุนะใช่ไหมดีกว่าเก็บผุ